ทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญได้ส่งปฏิบัติมาและได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางเป็นทางที่จะนำพาไปสู่การดับทุกข์ ได้อย่างแท้จริงและถาวรก่อนที่จะส่งคนพบทางนี้สัตว์โลกก็มีทางดับทุกข์อยู่สองทางด้วยกันทางหนึ่งเรียกว่าดับทุกข์ด้วยการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกิ้นกาย ที่พระองค์ก็เคยได้เดินมาแล้วในสมัยที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงมีประสาทสามฤ ด, ดูมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองบริษัทบริวารที่จะมาคอยบำรุงบำเรอความสุขผ่านทางตาหูจลุกจมูกเป็นกายอย่างต่อเนื่อง แต่โละองค์ก็ทรงเห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นการดับความทุกข์ชั่วคราวเพราะต่อไปเวลาที่ร่างกายเกิดความแก่เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความตายขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายนี้ เสบลูกเสียงกลิ่นลดผัพภะเพื่อเอาความสุขที่ได้จากการเสบนี้มาดับความทุกข์ได้ต่อไปความทุกข์ไม่ได้ดับไปอย่างทาวรด้วยการเสบความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระองค์จจงทรงต้องสละราชสมบัติและทรงออกบวชเพื่อหาทางที่จะ ดับความทุกข์ได้ถาวรก็ได้มาพบกับอีกทางหนึ่งที่นักบวชนักบำเพ็ญพจน์ทั้งหลายได้บำเพ็ญกันเพราะคิดว่าเป็นการดับความทุกข์ได้อย่างถาวรก็คือการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆเช่นใช้ของแหลมของคมมาทิ่มมาแทงร่างกาย เพื่อที่จะให้ร่างกายมีภูมิต้านทานความเจ็บความปวดนะแต่ก็เป็นการต้านได้เชื่อขณะที่จิตใจมีความแน่วแน่ตั้งมั่นคือในขณะที่ใจมีสมาธิมีอุเบกขาแต่เวลาออกจากสมาธิออกจากอุเบกขามา เวลาต้องมาสัมผัสกับความเจ็บความปวดก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพระองค์ก็ทรงได้บำเพ็ญด้วยการอดพระกายานาถึง49วันด้วยกันแต่ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ได้ความทุกข์ก็ยังมีอยู่เพราะความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย และเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายทรงค้นพบเหตุของความทุกข์และความทุกข์ว่าเกิดขึ้นภายในใจและเหตุที่จะนำมาซึ่งการดับทุกข์ก็ต้องเกิดขึ้นภายในใจมีอยู่ภายในใจ จงทรงค้นพบทางที่สามที่เรียกว่าทางสายกลางนี้เองทางระหว่างการาเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกับทางที่ใช้การทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้ยอย่างแท้จริง ทางที่พระองค์ทรงได้ค้นพบที่สามารถดับความทุกข์ได้อย่างท้าววอนอย่างแท้จริงก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี้เองมัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าทางสายกลางประกอบด้วยมัชที่มีองค์แปดเป็นทางเดินนี้เองมัชฌิมาปฏิปทาก็คือมัชที่มีองค์แปด หรือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานี่แหละคือเรียกว่าทางสายกลางทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างเส้นเชิงได้ด้วยการบำเพ็ญ มัชฌิมาปฏิปทานี้คือทรงบาเพ็ญมรรคที่มีองค์8ดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกะปะการความธําริชอบสัมมากรรมันโตาการกระทําชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวายาโมความเปลี่ยนชอบ สัมมาสติการลเละรู้ชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นของจิตชอบนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ไม่มีทางไหนที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวร อ, อย่างแท้จริงต้องเป็ดทางนี้เพียงทางเดียว คือมัชิมาปฏิปทานั่นเองทางอื่นทั้งสองทางจึงเรียกว่าเป็นทางสุดโต่งคือไม่ได้อยู่ในทางของมัชิมาออกนอกรูนอกทางไปการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆอดข้าวอดอดน้ำหรือทรมานร่างกายด้วย ของแหลมของคมหรือบาเพ็ญพลดอะไรต่างๆเช่นแน้กระทั่งการกินเจมังสาวิรัตอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทรมานตนไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้รับความทุกข์เพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากินผักหรือกินเนื้ อ, อกินเนื้อก็ไม่ได้ดับความทุกข์กินผักก็ไม่ได้ดับความทุกข์การดับความทุกข์อยู่ที่ว่าฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์ต่างหากถ้าฆ่าสัตว์ก็จะเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นถ้าไม่ฆ่าสัตว์ก็จะลดความทุกข์ให้น้อยลงไปหรือการหาความสุข จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอันนี้ก็ไม่ได้สามารถที่จะดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงดับได้เป็นพักๆไปเวลาไม่สบายใจก็ไปเที่ยวกันไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะกันบางคนไม่สบายใจก็หาร้านอาหารอร่อยอร่อยกินกันหาเครื่องดื่มอร่อยอร่อยดื่มกัน หาขนมนมเนยอร่อยอร่อยมารับประทานกันหรือหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้เหล่านี้ก็เป็นการดับความทุกข์ได้ชั่วคราวเพราะเวลาได้เสพก็มีความสุขแต่พอไม่ได้เสพก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่เกิดความ ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจเช่นเกิดความเหงาความเศร้าส้อยความว่าเหวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายจาเป็นจะต้องออกไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ บ, นนนบุคคล น, นั้นบุคคลนี้มาให้ความสุขอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่ได้ก็ก่อความทุกข์ทรมานใจ ไม่ได้ดับความทุกข์ทรมานใจด้วยการเสพสิ่งเหล่านี้เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดติดบุหรีติดสุรายาเมาติดเครื่องดื่มต่างๆน้ำชากาแฟที่ต้องคอยดื่มคอยเสพคอยรับประทานอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสพไม่ได้ดื่มไม่รับประทานก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาได้เสพได้ดื่มก็เกิดความสุขขึ้นมาดับความทุกข์ไปชั่วคราวลักษณะนี้เป็นลักษณะแบบดับความทุกข์แต่ไม่ได้ถอดถอนลากเงารากของความทุกข์ความทุกข์จึงไม่หมดไปจากใจพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณา จนในที่สุดก็ส่งค้นพบทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ได้อย่างถาวรก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้เองการบำเพ็ญทางสายกลางนี้ก็จะมีแบบหนักหรือเบาจะไม่เรียกว่าสุดโตง่งสุดตง่งบางท่านก็บำเพ็ญหนักบำเพ็ญมาก บางท่านก็บําเพ็ญน้อยถ้าบําเพ็ญมากก็ได้ผลมากได้ผลเร็วบําเพ็ญน้อยก็ได้ผลน้อยได้ผลช้าเหมือนกับขับรถถ้าเหยียบคันเร่งเต็มที่ติดพื้นไปเลยรถก็จะวิ่งเร็วอย่างเต็มที่ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกาการเหยียบคันเร่งเพียงครึ่งหนึ่ง รถก็จะวิ่งช้าลงไปการที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะช้าลงไปเท่านั้นเองถ้ามีการปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทามไม่ว่าจะเป็นการทำานรักษาศีลภาวนาหรือการเจริญศีลสมาธิปัญญาหรือการเจริญมรรคที่มีองค์ปดก็ถือว่าอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา อยู่ในทางสายกลางไม่สุดโตเป็นทางที่พอดีกับกับกิเลสตัณหาพอดีก็คือสามารถทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปได้อย่างราบคาบอย่างสิ้นเชิงมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นถ้าออกไปจากทางนี้ ถึงจะเรียกว่าสุดโตเช่นออกไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพถาพะสุดโต อ, ออกไปจากการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่เราคงเคยเห็นเคยได้ยินกันพวกที่บรรพุกอษีชีพัยในประเทศอินเดียนี้ จะมีวิธีทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆบางพวกก็ทรมานด้วยการไม่สวมใส่เสื้อผ้าบางพวกก็ทรมานด้วยการไม่อาบน้ําบางพวกก็ทรมานด้วยการไม่ตัดเข่าตัดผมโกนหนวดบางพวกก็นั่งบนที่นั่งที่แหลมคม บางพวกก็เอาของคมของแหลมมาทิ่มแทงตามส่วนต่างๆของร่างกายวิธีการเหล่านี้เป็นการทรมานร่างกายไปโดยไม่ได้ไปดับความทุกข์เพราะความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายพระพุทธเจ้าทรงค้นพบก็ตอนที่ได้ทรงอดประกยายหารถึงสี่สิเก้าวัน ทรมาร่างกายคิดว่าความอยากของร่างกายนี้เป็นเปน็นตัวปัญหาคือการอยากอยู่การอยากาหาความสุขจากร่างกายพระองค์ก็เลยไม่หาความสุขจากทางร่างกายไม่รับประทานอาหารเหมันแต่อดประกายาหารไปถึงสี่สิบเก้าวันแล้ว ร่างกายนี้เกือบจะหมดแรงหมดหมดกำลังเกือบจะตายแล้วแต่ความทุกข์มันเหมือนเดิมไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปแต่อย่างใดพระ อ, องคจึงทรงพิจารณาเห็นว่าความทุกข์นี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจและเครื่องมือที่จะทาลายความทุกข์นี้ ต้องเป็นเครื่องมือที่มีอยู่ภายในใจเช่นเดียวกันก็คือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือมรกที่มีองค์แปดนี้นั่นเองโองจึงทรงบำเพ็ญทานก็ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้สละลาภสสมบัติมาแล้วศีลก็ได้รักษาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เพียงแต่แม่ได้บำเพ็ขั้นภาวนาขั้นวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็ได้บำเพ็มาแล้วได้สมาธิได้ฌานแล้วแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนารองจึงหันกลับมาเจริญสมถภาวนาทำใจให้สงบ พอใจสงบแล้วก็ทรงพิจารณาหาดูความทุกข์ดูต้นเหตุของความทุกข์ดูวิธีดับทุกข์ดูการดับทุกข์ของจิตก็ส่งค้นพบพระอริยรรสัจสี่ที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเทวดาอินพรหม ไม่ว่าจะเป็นเปรตเป็นเป็นผีเป็นสัตว์นรกไม่ว่าจะเป็นเดราาัจฉานเป็นมนุษย์ล้วนมีอริยสัจสี่อยู่ภายในใจด้วยกันทุกดวงแต่สัตว์โลกไม่เห็นอริยสัจสี่นี้เท่านั้นเองไม่เห็นว่าความทุกนี้อยู่ภายในใจไม่เห็นว่าความทุกนี้เกิดจาก ความอยากสารประการด้วยกันคืออยากในกามเรียกว่ากามตัณหาอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตัณหาและอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัณหานี่คือเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเช่นคนที่ติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ จะมีความทุกข์เวลาที่ไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่รักที่ชอบเช่นคนที่ชอบดื่มกาแฟเวลาไม่ได้ดื่มกาแฟก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาคนที่ชอบดื่มสุรายาเมาไม่ได้ดื่มสุรายาเมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่ชอบสูบบุหรี่ เวลาไม่ได้สูดบุรีก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่ชอบดูหนังดูละครร้องลําทำเพลงเวลาไม่ได้ดูหนังดูละครไม่ได้ร้องลําทำเพลงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนกับภู้งอยู่กับแฟนอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับบุตรอยู่กับทิดา เวลาต้องพัดผ้าต้องอยู่ห่างกายจากกันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือความทุกข์ของผู้ที่เสพการมตัญหาคนผู้ที่มีความอยากเสพกามิอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเสพรูปของสามีของภรร ย, ยาของบุตรของธิดา เวลาได้เห็นหน้าเห็นตากันให้ดีออกดีใจสมัยนี้จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อมาเสริมการเสพ ร, รูปด้วยวิธีต่างๆเดี๋ยวนี้อยู่ห่างไกลกันขนาดไหนก็ยังสามารถเห็นหน้าเห็นตากันได้ติดต่อผ่านเครื่องสื่อสารที่มีทั้งภาพมีทั้งเสียงอันนี้ก็เกิดจากกามะปัญหา ถ้าไม่มีการมาตัฐหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะขายไม่ได้ถ้าไม่มีใครอยากจะเห็นหน้ากันไม่มีใครอยากจะฟังเสียงกันไอเครื่องโทรศัพท์มือถือต่างๆเหล่านี้ก็จะขายไม่ออกที่ขายขายยังก็เป็นขายดิบขายดีขายแบบเทน้ําเทท่าก็พอไอตัวการมาตัรหานี่เองไอความอยากที่จะเสพเลิกเสียงกลิ่นรดโพลทัตตา ของคนหรือของสิ่งที่เรารักที่เราชอบกันแต่ไม่ได้เห็นว่าเวลาที่ไม่ได้เสพนี้เป็นยังไงเวลาไปอยู่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อกับเสียงกับใครได้ไม่สามารถเห็นหน้าเห็นตาใครได้ตอนนั้นก็จะเกิด อ, อารมณ์หดหดเศร้าซ้อยหงอยเงาว้าเหว่ยปาเปลี่ยวเดียวด้ นี่คือโทษของการมีความอยากที่จะเสพการเสพลูกเสียงกิริยลดผลิัณฑ์ผู้ที่สามารถบำเพ็ญละการเสพการได้ทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องของการเสพการผู้ที่สามารถทําใจให้สงบ ก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายไม่รู้สึกป่าเปียวเดียวไดไม่รู้สึกเศร้าซ้อยหน่อยหเหงาไม่รู้สึกว่าวีวแต่อย่างใดเพราะกามตัณหาที่เป็นตัวผลิตอารมณ์เหล่านี้นั้นมันถูกทำลายไปถูกกดเอาไว้เวลาจิตเข้าไปในสมาธิ กามตัญหาไม่สามารถที่จะทํางานได้ถ้าจิตมีความสงบมีสมาธิไม่มีความอยากในกามาตัญหาจิตจะไม่รู้สึกเศร้าสร้อยงอยเหงาว้าเว่ยเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ไม่คิดที่อยากจะเปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะได้ยินเสียงเพื่อที่จะได้เห็นภาพของบุคคลหรือสิ่งที่ตนรักตนชอบเลย นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากกามตัณหาความทุกข์ที่เกิดจากภาวะตัณหาก็คือการอยากมีอยากเป็นเช่นอยากร่ำอยากรวยอยากมีสมบัติเข้าของเงินทองสิ่งของมากมายกายกองบางท่านก็อยากมีเพชรนินจินดามีเครื่องประดับ สวยๆงามๆวิจิตรพิสดารอยากมีเสื้อผ้าอาพรสวยงามราคาแพงๆหายากเป็นเสื้อผ้าอาพรที่ออกแบบจำเพาะเจาะจงให้กับตนเองเพียงบุคคลเพียงตนเดียวไม่มีใครที่จะสวมใส่เสื้อผ้าชุดนี้ได้เพราะผลิตขึ้นมาเพื่อตอนเพียง คนเดียวอันนี้ก็เป็นติเล่ย์อย่างเรียกว่าเป็นตันหาความอยากมีอยากเป็นเวลาไม่ได้เป็นก็รู้สึกเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจน้อยเนื้อต่าใจเ้ยคนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตพอไม่ได้เป็นแล้วก็รู้สึกทุกข์ใจทรมานใจไปดู ผู้่าราชการที่กเกษียณอายุวันแรกของกา ร, กรเกษียณอายุจะเห็นความแตกต่างกันขณะที่ยังมีตำแหน่งอยู่ก็จะมีบริสัท์บริวารห้อมร้อมคอยรับใช้อยู่ตลอดเวลาพอกเกษียณอายุไปแล้วหมดจากสภาพจากการเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็จะ ไม่มีผู้ใดมาคอยห้ามล้อมไม่มีบริษัทบริวานมาคอยเอาอกเอาใจอยู่แบบเงียบเงียบอยู่แบบเศร้าส้อยหงอยเหงาที่บ้านไม่มีที่ไปเมื่อก่อนมีตำแหน่งมีที่ทำงานมีรถยนต์มีคนขับรถยนต์มาคอยรับถึงที่ส่งถึงที่ ไปถึงที่ทำงานก็มีลูกน้องมาคอยรายงานมาคอยรับใช้รับคำสั่งเป็นความสุขที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตคนที่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเห็นคนที่เป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตบ้างคนที่ไม่ร่ำไม่รวยเห็นที่เห็นคนที่ร่ำรวยก็อยากจะร่ำรวยบ้าง ก็จึงเกิดภาวะตัณหาขึ้นมาเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นพอได้เป็นก็ดีอกดีใจหลงละเลงคิดว่าจะเป็นไปอย่าตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดแต่ทุกินทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราว เวลาได้มาก็ดีอกดีใจเวลาสูญไปก็เสียอกเสียใจนี่ก็คือความทุกข์ที่เกิดจากภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นตัณหาชนิดที่สามเรียกว่าวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ก็อยากไม่ เห็นขอทานก็ไม่อยากจะเป็นขอทานค้นเห็นยากจบเห็นคนยากจนก็ไม่อยากจะเป็นเห็นคนที่ทุกข์ยากลําบากด้วยเหตุต่างๆเช่นไม่มีเงินทองไม่มีความรู้ที่จะทํามาหากินแบบสุขแบบสบายต้องใช้แรงงานแบกหาม เห็นคนแบบนั้นก็ไ <o> ม <of> ่อยากจะเป็นเห็นคนทีโกงพิการก็ไม่อยากจะเป็นเห็นคนหูหนววเห็นคนตาบอดแขนขาดขาขาดเห็นคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยเรื้อรังต่างๆเห็นคนแก่เห็นคนตายก็จะไม่อยากจะเป็นนี่เรียกว่าวิภาวตัญหา เพียงแต่เห็นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วแล้วถ้าไปเป็นยิ่งเกิดความทุกข์ใจใหญ่บางคนถึงกับรับสภาพไม่ได้ต้องข้าตัวตายหนีสภาพนั้นไปเช่นไปเจ็บไข้ได้แปลป่วยเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายหรือพี่กนพี่การเป็นอมภพกรมภา พ, มาพาไม่สามารถใช้ร่างกาย หาความสุขดับความทุกข์ได้ก็เลยคิดทำลายข่าร่างกายนี้เพื่อจะได้หนีจากสภาพนี้ไปแต่มันก็เป็นการหนีชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่และก่อนจะกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องไปตกนรกก่อนเพราะทำบาป าเวลาฆ่าตัวตายนี้จิตจะเครียดมากจะทุกมากจะร้อนมากจะทรมานมากแล้วการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการดับปัญหาปัญหาคือความทุกข์ใจที่เกิดจากวิภาวะตัณหาก็ไม่ได้ดับไปไม่ได้หายไปกลับมาเกิดใหม่มาเจอความทุกข์ยากลำบากใหม่ก็จะคิดฆ่าตัวตายใหม่ เพราะไม่รู้จักวิธีแก้ความทุกข์ที่ถูกทางนั่นเองวิธีที่แก้ความทุกข์ที่ถูกทางก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญแล้วได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนั่นเองก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี้เองถ้าเรามีมัชฌิมาปฏิปทาเวลาเกิดปัญหาทั้งสามนี้เราจะมีกำลัง ที่จะดับตัณหาทั้งสามนี้ได้ถ้าดับตัณหาทั้งสามนี้ได้ก็จะดับความทุกข์ภายในใจได้เวลาใจไม่ทุกข์แล้วใจก็อยู่ได้กับสิ่งที่ตนเองมีอยู่เป็นอยู่เป็นอมตคกามภา พ, าพาก็อยู่กับมันได้เป็นโรคร้ายเป็นโรคเรือ้อรังรักษาไม่หายก็อยู่กับมันได้ เป็นอะไรก็อยู่กับมันได้เพราะไม่มีตัณหาตัวที่จะมาสร้างความทุกข์ใจยากจนก็อยู่กับความยากจนได้ทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็อยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนอย่างพระขีนาสกุลพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระ อ, าา ร, ร, ะอริยบุคคลทั้งหลายท่านก็ไม่ได้อยู่แบบมหาเศรษฐี ท่านก็ไม่ได้อยู่แบบเป็นใหญ่เป็นโตท่านก็อยู่แบบยาจกขอทานดูสภาพอยู่ของท่านท่านอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามเรือนว่างอาหารท่านก็รับประทานแค่วันละมือ้อและอาหารก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกรับประทานอาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนี้ ไปบินทบาตได้อะไรมาก็รับประทานไปให้มันอิ่มโรกภัยไข้เจ็บถ้าเกิดขึ้นท่านก็ดิน ญ, ญาสมุนไพรตามมีตามเกิดยาดองน้ำมูดเสื้อผ้าสวมใส่ก็เอาเศษผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าในกองขยะเอามา ปะอา ม, มาเย็บอา ม, มาติดอมมามต่อให้เป็นผืนใหญ่เพื่อจะนุ่งห่มปกปิดร่างกายป้องกันร่างกายจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยป้องกันร่างกายจากอากาศที่หนาวเย็นท่านก็อยู่ได้ท่านไม่เหลือดร้อนเพราะท่านไม่มีวิภาควตัตหาไม่มีความอยากไม่เป็น คนจนไม่อยากจะเป็นยาจบไม่อยากจะเป็นขอทานไม่อยากจะอยู่แบบทุกข์ยากลําบากท่านอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจร่างกายอาจจะทุกข์ร่างกายอาจจะอัตคัดขัดสนฮแต่ใจนี้ไม่อัตคัดใจกลับเป็นมหาเศรษฐีใจมีธรรมเต็มเปลี่ยมอยู่ในหัวใจมีมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็น เครื่องมือที่ละตัญหาทั้งสามจึงทำให้ใจนี้ปราศจากความทุกข์อยู่แบบขอทานได้อย่างสบายอย่างมหาเศรษฐีส่วนพวกมหาเศรษฐีทางร่างกายนี้อยู่แบบยาวจกอยู่แบบขอทานทางจิตใจร่างกายมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีตำแหน่งใหญ่โต แต่ใจนี่มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวิตกกังวลว้าวุ่นขุนมัวนี่คือความแตกต่างระหว่างเศรษฐี่างทางร่างกายกับเศรษฐีทางจิตใจเศรษฐีทางจิตใจนี่จะเป็น ย, ยาจกทางร่างกายจะอยู่แบบขอทาน อย่างวันนี้ญาติโยมก็นําสมบัติของขอทานมาถวายเรียกว่าอัฐบริขารนี่คือสมบัติของผู้ที่เป็นเศรษฐีทางใจท่านไม่ต้องการสมบัติมากไปกว่าอัฐบริขารคือเครื่องใช้ไม้สอยของของพระมีอยู่แปดชิ้นด้วยกันชิ้นที่หนึ่งเรียกว่าบาตเอาไว้สําหรับหาอาหารบิณฑบาต อีกสามชิ้นเรียกว่าผ้าไตาจีวร น, นคือผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวนี่มีสามชิ้นพร้อมกับปร ะ, ประคตเอวก็คือเข็มขัดรัดเอวผ้าไม่มีซิปไม่มีกระดุมผ้าเพียงแต่พับพับมัดไว้ถ้าไม่มีประคตเอวมามัดไว้เดี๋ยวก็หลุดเดินไปบินะบะเดี๋ยวก็หลุดกลางบ้าน ก็ต้องมีประคตเอวนี่อันนี้เป็นชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าชิ้นที่หนึ่งก็คือบาสสามชิ้นที่สองสามสี่ก็คือผ้าไตาจีวรชิ้นที่ห้าก็คือประคตเอวชิ้นที่หกก็คือเข็มกับได้เอาไว้สําหรับเวลาผ้าขาดจะได้ปาเย็บได้ชิ้นที่เจ็ดก็คือ ใบมีโกนไว้สำหรับโกนผมโกนหนวดพระนี้ต้องโกนผมทุกสิบทุกสามสิบวันด้วยกันทุกวันเพนก่อนวันเพนท่านจะโกนโกนศีรษะกันเป็นธรรมเนียมบางแห่งท่านก็โกนทุกสิบห้าวันท่านจะไม่ปล่อยให้เกินสองเดือน คือผมนี่ไม่ควรจะยา ว, กวาเกินกว่าสองเดือนโดยธรรมเนียมของสงฆ์ไทยก็จะโกนกันทุ ก, ทกหนึ่งเดือนบางสำนักเช่นสำนักของหลวงปู่ชานี่ท่านจะโกนทุกสิบห้าวันและบริขารชิ้นที่แปดก็คือที่กรองน้าพระสมัยก่อนท่านอยู่ในป่าท่านตักน้ำจากลำธารจากคั้ว ซึ่งอาจจะมีตัวสัตว์อยู่ในน้ําเช่นลูกน้ําท่านต้องมีที่ตักที่เป็นที่กรองในตัวคือจะตักแต่น้ําขึ้นมาจะไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยเพราะถ้าดื่มน้ําที่มีตัวสัตว์ก็ถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่คือสมบัติแปดชิ้นของเศรษฐีทางใจมหาเศรษฐีทางใจนี้ไม่ต้องการ สมบัติทางร่างกายมากกว่าที่จำเป็นนะที่จำเป็นก็คือสมบัติที่เป็นแปดชิ้นนี้เองดังนั้นขอให้พวกเราจงใช้ปัญญาแยกแยะว่าวิธีดับทุกข์ที่แท้จริงนั้นดับได้อย่างไร ดับแบบเศรษฐีทางร่างกายหรือดับแบบเศรษฐีทางจิตใจถ้าบับดับแบบเศรษฐีทางร่างกายก็ดับแบบสุดโต่งไปทางการเสพความสุขทางร่างกายเพื่อจะมาดับความทุกข์ทางใจซึ่งดับไม่ได้ผิดที่เหมือนไฟไหม้ไฟไหม้โรงรถแล้วเราก็ไปดับที่ห้องนอน มันคนละที่กันไฟมันไหม้ที่โรงรถเราก็ต้องเอาน้ำไปดับที่โรงรถไม่ใช่เอาน้ำไปดับที่ห้องนอนดับ เ, เอาน้ำไปฉีดน้าห้องนอนไฟในโรงรถมันก็ไม่ดับฉันใดความทุกข์ใจก็ต้องเอาน้ำไปดับที่ใจไม่ใช่เอาน้ำไปดับที่ร่างกายเวลาทุกข์ใจก็ไปชอปปิ้งกัน ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ซื้ไปดื่มไปรับประทานกันจัดงานเลี้ยงกันเพื่อที่จะได้กบความทุกข์ลืมความทุกข์ไปชั่วขณะคนสมัยนี้มักจะอาศัยสิ่งเสพติดมาดับความทุกข์กันเวลาไม่สบายใจก็ดื่มสุรากันบางทีก็ เสพยาเสพติดกันเพราะเวลาดื่มสซดาเสพยาเสพติดแล้วก็ทำให้ลืมเรื่องของความทุกข์ไปชั่วคราวแต่กลับไปสร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาเพราะจะไปติดการเสพสุราเสพติดยาเสพติดซึ่งยากกว่าเป็นความทุกข์มากกว่าความทุกข์ที่ตนเองพยายามดับเหมือนกับเวลาไฟไหม้แทนที่จะเอาน้ำไปดับ ก็เอาน้ำมันไปราดเวลาเอาน้ำมันไปราดในกองเพลิงใหม่ๆมันจะรู้สึกยุบลงไปเพราะตอนนั้นน้ำมันมันเหมือนน้ำมันยังไม่ร้อนแต่พอน้ำมันมีความร้อนขึ้นมาจากไฟที่ไปดับมันก็จะลุกขึ้นมาใหม่และจะแรงกว่าเก่า นี่คือการดับทุกข์ด้วยการเสกความสุขต่างๆเหมือนกับการเทน้ำมันลงไปในกองไฟเวลาเทลงไปใหม่ๆนี้ไฟทำท่าจะดับเพราะตอนนั้นน้ำมันยังไม่ร้อนแต่พอน้ำมันร้อนขึ้นมามันก็เกิดประกายเปลวขึ้นมาใหม่ใหญ่กว่าเก่าฉันใดการดับความทุกข์ด้วยการเสกการมก็เป็นแบบนี้ เวลามีความทุกข์ใจก็ไปเสพกามกันไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันก็ทำให้รู้สึกว่าความทุกข์ใจหายไปชั่วคราวแต่เดี๋ยวก็เกิดความอยากจะเสพกามขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนไม่เคยต้องเสพกามเดี๋ยวนี้ต้องเสพแล้วเมื่อก่อนไม่เคยดื่มสซดาเดี๋ยวนี้ต้องดื่มแล้วเมื่อก่อนไม่เคยเสพยาเสพติดเดี๋ยวนี้ต้องเสพแล้ว เวลาไม่ได้เสพทีนี้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ขึ้นไปอีกนี่คือการดับความทุกข์ด้วยการไปเสพกามด้วยการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์หรือลดความทุกข์แต่กลับเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปถ้าใช้วิธีมัชฌิมาปฏิปทาดับความทุกข์ทำอย่างไร ถ้าไม่สบายใจอยากจะไปช้อปปิ้งก็เอาเงินที่จะไปช้อปปิ้งนี้ไปทําบุญแทนทําทานแทนทําแล้วก็จะทําให้ใจสบายขึ้นในระดับหนึ่งแต่ยังไม่หมดเพราะการทําทานนี้ก็ทําได้เพียงในระดับหนึ่งดับความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งในระดับที่สองก็คือไปรักษาศีลกันไปอยู่วัดไปถือศีลแปดกัน อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกริมกายกันละเว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ละเว้นจากการหาความสุขจากโมหรสกเครื่องบันเทิงต่างๆาละเว้นจากการร้องลํำทำเพลงละเว้นจากการเสริมสวยเสริมความงามด้วย เสื้อผ้าอาพอรด้วยเครื่องสําอางต่างๆด้วยน้ํามันน้ําหอมต่างๆแล้วก็ละเว้นจากการหลับนอนมากจนเกินไปบางคนทุกข์มากๆก็นอนนานๆไม่อยากจะลุกไม่อยากจะลุกขึ้นมาเจอความทุกขนะ์เพราะว่าเวลาหลับแล้วมันก็เลมความทุกข์ไปชั่วคราวนะพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังไม่อยากจะลุกก็นอนต่อไป แต่คนเราจะนอนไปตลอดไม่ได้ใ น, ในที่สุดมันก็ต้องลุกขึ้นมามันก็ต้องมาเจอความทุกข์อยู่ดีฉะนั้นให้ลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งสมาธิกันมาควบคุมความคิดกันอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์พอไม่ไปคิดถึงที่เรื่องที่ทำให้เราทุกข์ความทุกข์มันก็จะหายไปความทุกข์เกิดจากความคิดของเรานี่เองคิดไปในทางความอยาก อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็ทุกข์พอคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งที่อยากได้แล้วไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเราควบคุมความคิดด้วยการบังคับให้มาคิดแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือให้คิดและกับบทสวดมนต์ให้สวดอาลหังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปันโนไปเรื่อยๆจนกว่าจะลืมเรื่องที่เราทาให้เราทุกข์ อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ต้องอย่าไปคิดมันต้องใช้อุบายของพระพุทธเจ้าอุบายของกรรมฐานที่มีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันจะใช้แบบไหนก็ได้กรรมฐานสี่สิบนี้เป็นเครื่องที่จะยับยั้งความคิดที่คิดไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้ จะทําให้ใจสงบได้ทําให้ใจเลิมเรื่องของความทุกข์ไปเวลาใจเลิมใจสงบใจก็เย็นสบายมีความสุขเนี่ดีคือวิธีแก้ทุกข์ในระดับแรกคือแบบชั่วคราวเป็นการแก้ทุกข์ที่ไม่มีโทษตามมาเหมือนกับการแก้ทุกข์ด้วยการไปเสดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะจะเพิ่มความทุกข์เพิ่มมากขึ้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ดับความทุกข์ได้คือเหมือนกับเอาน้าไปดับไฟจริงๆน้ำเวลาโยนเข้าไปในไฟถ้ามีกำลังมากพอก็จะดับไฟได้แต่ไฟยังอาจจะไม่ดับท้าวอนเพราะมันยังมีเชื้ออยู่และมันยังร้อนอยู่ ถ้าน้ำไม่พอเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้หรือเวลาหยุดฉีดน้ําไปเดี๋ยวไฟก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ฉันได้การดับทุกข์ด้วยสมาธิก็จะดับได้แต่นชั่วที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาพอไม่ควบคุมใจปล่อยให้คิดเดี๋ยวก็จะไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้มีความทุกข์ใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาใหม่ ถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์ใจให้ได้อย่างถาวรไม่ให้มันกลับคืนมาอีกก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าเราทุกข์กับเรื่องอะไรเช่นเราทุกข์กับสามีกับภรรยาอยากให้สามีภรรยาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่วันนี้ก็มีคน ทุกข์มากถึงกับเขียนจดหมายใสมาในบาทให้มาอ่านว่าสามีไปมีกิก๊กเสร็จแล้วจะทำยังไงดีอยากจะฆ่ามันฆ่ามันก็บาปทำไม่ได้ต้องมาปรึกษากับพระพระก็บอกทำใจเธอโยมนั่งสมาธิไปถ้าก็โปรองอันิจังทุกขขังอนัตตา ว่าสามีก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันนี้เป็นสามีพวกนี้ก็อาจจะเป็นสามหาก็ได้ <c oughs> เปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้อนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นสามหาก็ต้องปล่อยเขาไปเ <c oughs> นี่ยคนที่ผิดคนที่ผิดศีลข้อสาก็เป็นเหมือนกับพวกเดรัฉานี่เองจากสามีก็เปลี่ยนเป็นสามาไป ช่วงนี้หมามันวิ่งกันว่อนไปหมดทั้งคืนเอ่ากันทั้งคืนเลยที่วัดตอนนี้มันตกษัตรกันมันมีการมัตรญหากันอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาถ้าอยากจะแก้ปัญหาให้ถาวรต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราทุกข์ด้วยนะี่เขาเป็นอนไรจังเขาไม่แน่นอนเขาไม่ถาวร เขาไม่คงเส้นคงวาเขาเปลี่ยนแปลงได้เป็นเขาเขาดีวันนี้พรุ่งนี้เขาไม่ดีก็ได้เขารักเราวันนี้พรุ่งนี้เขาไม่รักเราก็ได้หรือเขารักเราเมื่อวานนี้แต่วันนี้เขาไม่รักเราแล้วก็ได้เราไปบังคับเขาได้หรือเปล่าเราไปสั่งเขาให้เขามารักเราได้หรือเปล่าเขาเป็นอนัตตาให้มองให้เห็นว่าเขาเป็นอนิจจัง เขาเป็นอนัตตาแล้วที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ยอมให้เขาเป็นอนิจจังไม่ยอมให้เขาเป็นอนัตตาอยากจะให้เขาเป็นนิจจังอยากจะให้เขาไม่เปลี่ยนอยากจะให้เขาเป็นอัตตาเป็นของเราสั่งได้สั่งให้รักเราไปตลอดให้ดีกับเราไปตลอดพอเกิดความอยากอย่างนี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจเรียกว่าเกิดภาวะตัณหาขึ้นมา อยากมีอยากเป็นอยากมีสามีที่ดีที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงอยากอยากเป็นคนที่มีสามีที่รักเราไปตลอดมันสั่งไม่ได้มันเป็นอนัตตาถ้าพิจารณาจนเห็นอย่างรอบครอบอย่างชาัดเจนว่าคนที่เรากำลังทุกข์ด้วยนี้เราไปทำอะไรเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นแล้วเขาไม่เป็น เราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเรายอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะเป็นสา ม, มาก็ปล่อยเขาไปคนในโลกนี้ไม่มีคนเขาคนเดียวหรอกผู้ชายในโลกนี้มีกี่คนทำไมหาใหม่คนไม่ได้หรือถ้าอยากยังถ้ายังอยากจะมีใหม่ถ้าอยากยังอยากจะมีสามีอยู่ก็หาใหม่ได้แต่คิดอย่างนี้ก็ไม่ดี เพราะเดกก็ไปเจอสามาอีกเหมือนกันเอะคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคนดีเขาก็ไม่มีสามีไม่มีภรรยากันเขาก็ไปบวชกันงันถ้าอยากจะถ้ายังอยากจะหาความสุขดับความทุกข์ด้วยการมีสามีภรรยามันก็จะต้องมาเจอความทุกข์แบบนี้เพิ่มขึ้นไปมันจึงไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์แก่งแท้จริง แต่ถ้าเราใช้มัชฌิมาปฏิปทาใช้ศีลใช้ทานศีลภาวนาเราก็จะสามารถดับความทุกข์ใจได้ถ้าเราเห็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดตัณหาความอยากายในใจของเราไม่อยากได้เขาแล้วไม่อยากมีเขาแล้วเขาอยากจะไปไหนก็ปล่อยเขาไปเขาอยากจะเป็นสามีอยากจะเป็นสามะก็ปล่อยเขาไป เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ไม่เห็นเดือดร้อนตอนนี้ไม่มีเขาแล้วเราทำไมต้องมาเดือดร้อนด้วยก็เพราะว่าเราไปตผล่ไปติดกับเขานั่นเองไปอยากกับเขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาซื่อสัตย์ซื่อตรงอยากจะให้เขาดีกับเราไปตลอดพอไม่เป็นก็ เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผิดหวังเพราะไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในบุคคลนั้นเองเห็นทีไรก็คิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นว่าเขาจะต้องเที่ยงแท้แน่นอนให้ความสุขกับเราอเป็นของเราสั่งได้สั่งให้หันซ้ายหันขวาได้สั่งให้ทําอะไรก็ทําตามได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริง นี่คือการใช้ปัญญาที่จะถอดถอนความทุกข์ถอดถอนความหลงที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากได้เพราะว่าเหมือนกับเห็นยาพิษอย่างนี้ถ้าเราเห็นยาพิษนี้เราอยากจะได้ไหมอยากจะเอามาดื่มไหมเวลาที่เขา ม, มียาพิษนี้เขาจะมีเครื่องหมายกระโหลก ก, กระดูกติดป้ายอยู่บนขวด พอเราเห็นเครื่องหมายนี้เราก็ถอยแล้วอ น, นี้ก็บอกนี้เป็นทุกข์แล้วอันนี้จังทุกขงังอนัตตาเราควรจะติดป้ายนี้ไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนี้มันเป็นยาพิษทั้งนั้นหละมันจะพ่นพิษใส่เราภายในภายหลังเวลาได้มาใหม่ๆเลี้ยงฉลองกันเวลาแต่งงานกันนีเลี้ยงฉลองถึงตีหนึ่งตีสองจะไม่คิดถึงเวลาที่ กลายเป็นยาพิษขึ้นมาถึงกับฆ่ากันตา ย, เ, ยเคยได้ยินข่าวไหยคนรักกันแทบเกืนกินในที่สุดก็ต้องมาฆ่ากันตายแล้วก็ตายตามกันไปฆ่าสามีฆ่าภรรยาแล้วก็กลับมาฆ่าตัวเองดีไม่ดีก็ฆ่าลูกฆ่าหลานไปด้วยที่ไม่รู้อ e ีโนเอเน่ A N A, ก็ต้องถูกฆ่าตายตามไปด้วยเพราะฤทธิ์ของความหลง ลิศของความอยากที่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากและไม่รู้จักมัชฌิมาปฏิปทาวิธีการดับทุกข์ก็เลยดับทุกข์ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องด้วยการทําบาปถ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาจะทุกข์อย่างไรก็จะไม่ทําบาปจะไม่ฆ่าผู้อื่นจะไม่ฆ่าตัวตายจะใช้ ส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้ายังไม่มีก็เข้าหาวัดเข้าหาพระเนียมีลูกศิษย์หลายคนมาอยู่วัดนี่ก็เพาะทุกข์แบบนี้ไม่รู้จะแก้ยังไงก็เลยมาขออยู่กับพระมาอยู่แล้วจะได้ลงโบสเช้าเย็นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ก็พอผ่อนคลายความทุกข์ให้เบาบางลงไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่หมดก็ทำให้ไม่ต้องถึงกลับไปฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเองนี่ละคือมัชิมาปฏิปทาทางสายกลางทางที่นำไปสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริงทางนี้ไม่มีคำว่าสุดโต่งมีแต่ว่ามากหรือน้อยหนักหรือเบา คนที่มีอินทรีย์อ่อนก็ปฏิบัติไปช้าหน่อยน้อยหน่อยคนที่มีอินทรีย์แต่ก็ก็จะปฏิบัติได้มากไปได้เร็วดับทุกได้เร็วดังนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาใครก็จะว่าเราสุดโตง่งก็ปล่อยเขาว่าไปเขาไม่รู้คําหมายว่าสุดโต่งนี้แปลว่าอะไร สุดโตรงก็คือการไปดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขต่างๆเช่นไปเที่ยวตามบาต์ตามผับไปดื่มไปรับประทานตามร้านอาหารต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไปทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆไม่โกนหนวดไม่โกนผมหาของแหลมของคมมาทิ่มมาแทงตัวเอง อดข้าวแบบที่ไม่มีเหตุมีผลคือการอดข้าวนี้ถ้าอดเพื่อเป็นการส่งเสริมการเจริญมัชฌิมาปฏิปทานนี้ก็ถือว่าไม่สุดต่อเพราะว่าบางทีถ้าเรารับประทานอาหารมากเกินไปก็จะทําให้เราเกิดความเกลียดคร้านเกิดนิวรคือความง่วงเหงาเหานอนขึ้นมาได้ก็ต้องรับประทานให้น้อยหรืออด บ้างเพื่อที่จะได้กระตุ้นความเพียรถ้าอดแบบนี้ไม่เรียกว่าสุดโต่แต่ถ้าอดเฉยๆแล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญมัชฌิมาปฏิปทาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสุดโต่เพราะอดไปแล้วไม่ได้ทําให้สร้างเครื่องมือที่จะมาใช้ในการดับทุกนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราพยายามศึกษาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าอจากผู้รู้จึงเห็นจริง หรือจากพ่อไตยปิดกคำในที่มีจารึกไว้ในหนังสือต่างๆอ่านพระสูตรต่างๆที่สำคัญสำคัญเพื่อเราจะได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงว่าทรงสอนอย่างไรเวลาที่ผู้อื่นพูดอะไรเราจะได้ไม่ควยเขวจะไม่หวั่นไหวต่อคำพูดของผู้ นี่คือเรื่องของทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางที่จะนำไปสู่การดับทุกขอย่างถาวรขอให้ท่านจงนำเอาไปเพณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความดับทุกที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยา ทาวาวเรวหาปุราภิเรนติสาารังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุ ป, ปกัปปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาปาจันททปัญหาระโสยทา้ามณิโชติ อระโสยทาสภิติโยวิวาจานตุสัพพโรโววินัสตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีทีขายยโภพวะอะิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจตารโรธรมมาวาัทานติอายุวโนโสุขัง ลถ้าใครมีคำถามอยากจะถาม mm hmm. ก็เชิญขึ้นมาถามบนนี้ได้ <c oughs> เพราะว่าจะมี <c oughs> ไมโครโฟนให้พูด <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่พูด <c oughs> ผ่านไมโครโฟนคนจะไม่ได้ยินเสียงคำถาม จะได้ยินแต่เสียงคำตอบอก็จะไม่ได้ครอบรถครบอบถ้าเราถามแล้วพูดผ่านทางไมโครโฟนก็จะดีมีใครอยากจะถามไหมส่งไมโครโฟนไปหน่อยค่ะอยากจะกลับเรียนถามว่าเวลาเราปัญญาที่เราคิดจากเอาข้อธรรมะนะคะที่เราอ่านศึกษามาแล้วพิจารณาในขณะที่เราไม่ได้นั่งสมาธิไงค่ะ กับปัญญาที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่มันแตกต่างกันไหยคะคือปัญญานี่อย่างที่พูดมันมีอยู่สามระดับด้วยกันปัญญาระดับแรกเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังอย่างที่วันนี้ญาติโยมมาฟังกันนี้ก็เป็นปัญญาอย่างนีง้วันนี้ก็ได้รู้จักว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นอย่างไรแล้วพอเรารู้แล้วเราก็เอาปัญญานี้มาคิดค่าขวนมาพิ จ, จารณา อันนี้ก็เรียกว่าปัญญาระดับที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาทั้งสองระดับนี้จะยังไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมาเพราะว่าปัญญาที่จะเป็นผลนี้ต้องเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์เหมือนกับยาถ้าเรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรากินยาเข้าไปมันก็ไม่มีความรู้สึกแตกต่างอย่างไร เพราะว่าร่างกายเราเป็นปกติกินยาเข้าไปก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายดีขึ้นหรือเลวลงฉันใดการฟังเทศฟังธรรมได้เกิดปัญญาหรือการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไม่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็ยังไม่เป็นประโยชน์อะไรจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เช่นสามีมีปัญหาเราเราพิจารณาเขาให้เห็นว่าเขาเป็นไตลักแล้วเราจะได้หยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วความทุกข์ที่เรามีอยู่หายไปอันนี้ถึงจะเรียกว่าภาวนามายะปัญญาทีนี้จะเป็นภาวนามายะปัญญาได้ก็อยู่ที่ว่าเรามีกำลังที่จะหยุดความอยากได้หรือไม่บางทีเราเห็นว่าเป็นอนิจจงทุกขขังอนาัตตา แต่เราหยุดมันไม่ได้หยุดความอยากไม่ได้ยังก็ยังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ก็แสดงว่าเราไม่มีภาวนาไม่มีสมถภาวนาไม่มีสมาธินั่นเองอย่างนั้นถ้าเราอยากจะให้เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้นอกจากคิดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องมีกําลังที่จะหยุดความอยากได้ด้วย ดังนั้นเราก็ต้องเจริญสมถะภาวนาไปควบคู่สลับไปกับการเจริญจินตามะยะปัญญาไปก่อนคิดไปก่อนแล้วก็ทำใจให้สงบแล้วพอเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็พิจารณาแล้วก็ตัดความอยากได้ด้วยกำลังของสมถะภาวนาก็จะเรียกว่าเป็นปัญญาภาวนามะยะปัญญาขึ้นมา ดับความทุกข์ได้แล้วเราจะเห็นความแตกต่างเราจะรู้เลยว่ามันเป็นภาวนามยปัญญาเพราะเมื่อกี้นี้เราทุกข์กับเขาพอเราเห็นว่าเขาเป็นตายลักแล้วเราก็ปล่อยวางโปร่งไปช่างหัวมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันเพราะมันเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอย่างนี้เราก็จะหายทุกข์ขึ้นมานี่ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญา ที่แท้จริงเป็นปัญญาที่ละความอยากดับความทุกข์ได้เหมือนกับยาต้องรอให้เจ็บไข้ได้ป่วยก่อนพอปวดหัวแล้วกินยาแก้ปวดปับหายปวดก็จะรู้ว่าออยานี้ปัญญาที่แก้โรคนี้ได้จริงๆดังนั้นเราก่อนที่เราจะไปถึงภาวนามาย์ปัญญาได้เราก็ต้องอาศัยสุตตะเมาย์ปัญญาต้องรู้ว่าปัญญาเป็นอย่างไรก่อนเมารู้แล้วเราก็เอามา คิดอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราจดจำไว้ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อที่เราจะได้ใช้ในเวลาที่เกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาทีนี้จะดับความทุกข์ได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเรามีสมถะภาวนาหรือไม่ดังนั้นนอกจากมาคิดค่้ควรแล้วเราก็ต้องสลับกับ ก, บการทําสมาธิต้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้ได้ให้จีบรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารลม ถ้ามีสมาธิแบบนี้แล้วเวลาคิดทางปัญญาเห็นว่าเป็นตายนักเห็นว่าเป็นยาวพิษก็จะก็จะหยุดได้จะไม่อยากตัดสินนั้นได้ อ, อเวลานั่งภาวนานี่นะคะแล้ว เ, เวลาจิตมันฟุง้งอะ่ะมันคิดไปเรื่อยๆสมมุติเราภาวนาแล้วก็ดับความคิดไม่ได้ฮะแต่เราก็ปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆตามความคิดแต่เรารู้ความคิดของเราเนี่ย จะถือว่าเป็นการทำสมาธิเลค่ะถ้ามันเป็นสมาธิมันก็ทำสมาธิถ้าไม่ไม่มันไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่เป็นสมาธิดูดูที่ผลเลยมันสงบหรือไม่สงบดูมาแล้วมันสงบหรือเปล่ามันมันไปเรื่อยเลยอะค่ะมันเรื่อยมันก็ไม่ใช่สมาธิแล้วมันก็นั่งคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่สมาธิถ้าใช้สติดูแล้วหยุดความคิดปรุงแต่งได้ มันสงบรวมเป็นหนึ่งหยุดความคิดปรุงแต่งได้ถึงจะเป็นสมาธิได้ <c oughs> มีใครอยากจะถามว่าหมอเอา่า <c oughs> เจ้าปัญหามามาที่ไรไม่เคยไม่มีปัญหาล <c oughs> แล้วก็ปัญหาเดิมๆอย่างนั้นเนะ <c oughs> เรื่องอาหารกับเรื่องขี้นี่นะ <c oughs> าว่ามา อย่างเรื่องเรื่องทานกับว่าอาจารย์ก็คือทำไมตอนแรกคือเวลาอ่านพระสูตรเนี่ยบางพระสูตรเนี่ยโดยก็เกี่ยวกับเรื่องนางฟ้านางสวรรค์เนี่ยเราจะอยากทำทานมากแต่พอเวลาเราทำทานจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกๆก็เริ่มจากทำร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแต่ทำไมมันรู้สึกว่าทำแล้วมันเข้าไม่เข้าไปในใจเหมือนกับที่เรา เพราะ <ingred iente. S 2> เราทําด้วยความอยาก <ļ ique> อยากได้ผลมันก็ไม่เข้าไปในใจตัวความอยากนี่มันจะกันไว้การทําทานนี้ต้องไม่ได้ทําด้วยความอยากทําด้วยความเมตตาสงสารเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอย่างที่มีวีดีโอมีชายคนหนึ่งที่เขาทําทานแบบที่ไม่ได้อยากได้อะไรเดินไปเห็น เห็นเห็นคนผู้หญิงเข็นรถขายข้าวแกงต้องเข็นขึ้นฟุนบาทไม่มีแรงก็ไปช่วยเข็นฮะนั่งกินข้าวกำลังจะกินขาไก่หมามันมานั่งข้างๆก็เลยโยนขาไก่ให้มันกินไปเห็นเด็กนั่งขอทานเขียนป้ายว่าทุนการศึกษาก็ให้เงินเด็กไป อย่นี้ถึงจะเรียกว่าทําบุญจริงๆเป็นเทวดาขึ้นมาจริงๆเทวดามีจิตเมตตากรุณาเป็นหลักไม่ได้ทําด้วยความโลภทําด้วยความโลภเรียกทําด้วยเปรตเป็นเปรดเข้าใจไหมนีคนเราไม่เข้าใจที่ว่าทําทานแล้วจะเป็นเทวดาขึ้นมาทันทีไม่ได้เป็นอยู่ที่ใจว่าเป็นทําด้วยอะไรถ้าทําด้วยความโลภมันก็เป็นเปรต มันถึงไม่รู้สึกว่าเป็นเทวดาแต่อย่างใดเข้าใจไหมงั้นต้องทําด้วยความเมตตากรุณาสงสารอย่างที่ไปช่วยเด็กพิการอย่างนี้เห็นเขาขาดแคลนอะไรก็ไปช่วยให้เขาได้อยู่ดีกินดีขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นเราก็เกิดความสุขใจความสุขใจนี่แหละเป็นสวรรค์การทําใจให้สุขใจเป็นสวรรค์นี่คือการทํา ทำใจให้เป็นเทวดาขึ้นมา่คุณต่ออาจารย์ครับแล้วผู้ทําทานโดยไม่หวังผลสิ่งตอบแทนใดๆครับอาจารย์จะรับมือกับคำสรรเสริญเยินยออย่างไรครับราอาจารย์ถ้าไม่หวังก็ต้องเฉยท่านนั่นเองก็อุบเบกขา ถ้าทำทานแบบพระอริยะก็ทำทานเพื่อตัดความอยากเช่นอยากจะเอาเงินไปซื้อรถคันใหม่ก็ซื้อแล้วก็ไปถวายวัดเลยอย่างนี้เรียกว่าทำบุญแบบพระอริยะไไม่ไม่ได้มันอยากได้อะไรซื้อมาเลยซื้อแล้วก็ยกให้คนอื่นไปเลยดัดสันดานกิเลสดัดความอยากต่อไปมันจะได้ไม่อยากซื้ออะไรนะเรียกว่าทำบุญแบบไม่ต้องการอ่ รังวี่รังวัลไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนทําเพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้าเรายังติดอยู่กับการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆดับความทุกข์ต่างๆด้วยเงินเราก็ต้องวนเวียนอยู่กับการหาเงินเพื่อที่จะมาดับความทุกข์หาความสุขต่างๆหาเท่าไหร่ดับเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันหมดเพราะต้นเหตุของความทุกข์มัน อยู่ที่ความอยากแต่เรากลับไปทําตามความอยากแล้วความทุกข์มันจะหมดได้อย่างไรเราต้องฝืนความอยากต้องทวนกระแสความอยากมันอยากจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆก็ซื้อมาเลยแล้วก็เอาไปแจกคนยากจนขอทานตรงไหนก็ให้ได้ให้เขาไปเลยอยากจะใช้เงินที่ไม่จําเป็นต่อการดำดำรงชีวิตของเราเราก็เอาไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่นไป แล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากเพราะมันอยากแล้วมันก็ไม่ได้อยากจะได้รถใหม่ซื้อมาแล้วก็ยกให้คนอื่นไปตัวเองก็ยังขับรถเก่าอยู่ไงถ้าจะซื้อรถใหม่ไม่ต้องจำเป็นจริงๆเช่นรถรถเก่ามันพังแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วไอ้อย่างนี้มันไม่เป็นความอยากมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจําเป็นอย่างนี้จะไม่ทาให้เกิดความอยากเพิ่มขึ้นมาเข้าใจไหม ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับตอนนี้หนูเรียนปริญญาโทหนูมีปัญหาคือเข้ากับเพื่อนๆคนอื่นไม่ได้และโดนพวกเพื่อนๆนแอนตีเน้เนื่องจากหนูไม่ค่อยเข้าสังคมเหมือนคนอื่นเขาพอเจอแบบนี้เลยทำให้ไม่อยากไปเรียน ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะอันนี้ขอเสริมหน่อยครับพระอาจารย์เนื่องจากน้องคนเนี้เขาเหมือนกับว่าไปเห็นพวกในกลุ่มเขาเนี่ยกินเหล้าเมายาแต่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็เลยไปทุกข์อากให้เขาเป็นอย่างที่เราอยากเราเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ อ, อก็เราต้องดูตัวเราเองว่าเราเป็นคนแบบไหนเรามีนิสัยแบบไหนถ้าเรามีนิสัยไม่ชอบดื่มเหล้าไม่ชอบอบายามุข เราไปอยู่กับคนที่เขาชอบเดินเล่าชอบอบายามุขนี่ก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็ต้องยอมทาใจว่าทำยังไงก็ไม่มีวันที่จะเข้ากันได้เหมือนกับน้ำมันกับน้ำาไม่มีวันที่จะปนกันได้ใส่น้ำมันกับน้ำไปในขวดเดียวกันต่อให้เขยา่าขวดขนาดไหนก็ตามน้ำมันกับน้ำมันก็จะไม่ปนกันพอหยุดเขยา่ามันก็จะแยกออกจากกัน คนดีกับคนไม่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นจะนนอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้เช่นไปโรงเรียนด้วยกันทาว่าเข้าห้องเรียนเดียวกันทางานเกี่ยวกับการเรียนด้วยกันก็ทาได้หรือไปทำงานที่สานักงานที่ทำงานก็มีทั้งคนคนดีและคนไม่ดี หรือว่าจะพูดว่าคนถนัดซ้ายกับถนัดขวาก็จะอยู่ด้วยกันได้เพียงแต่ว่าจะมาให้ทํากิจกรรมร่วมกันที่ไม่ถนัดนี้ทําไม่ได้คนที่ไม่ดื่มสซรายาเมาจะไปดื่มสุลารยาเมากับผู้อื่นก็ทําไม่ได้คนที่ไม่เข้าวัดก็จะไปเข้าวัดกับคนอื่นคนที่เขาเข้าวัดไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของตัวใครตัวมันไปสําหรับเรื่องกิจกรรมเหล่านี้ แต่เวลาที่เราจําเป็นจะต้องอยู่ในสังคมแล้วก็เข้าไปเพื่อไม่ให้เสียมารยาทเมื่อถึงเวลาไปห้องเรียนเรียนกันแล้วออกจากห้องเรียนอาจจะต้องคุยกันบ้างทักทายกันบ้างก็คุยกันไปแต่พอเวลาถึงเวลาเขาจะชวนเราไปทำในสิ่งที่เราไม่ไม่ทำเราก็อย่าไปเท่านั้นเองเราก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจว่าเราเข้ากับเขาไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงอย่างนั้นเหมือน น้ำกับน้ำมันมันให้มันเข้ากันไม่ได้น้ำต้องอยู่กับน้ำน้ำมันก็ต้องอยู่กับน้ำมันคนที่ชอบอบใบยามุกก็ต้องไปกับคนที่ชอบอบใบยามุกคนที่ชอบไปวัดก็ต้องไปกับคนที่ชอบไปวัดก็ไม่มีการไม่มีความเสียหายตรงไห น, นขอให้เราเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นจะต้องอคบค้าสมาคมกับคนทุกคนเราถึงจะเป็นคนเก่งไม่ใช่เหนอ เราครบกับคนที่ที่ที่ถูกกับเราถูกเจริญกับเราคนที่ไม่ถูกเจริญกับเราเราก็ไม่ลังเกียดเขาเพียงแต่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมร่วมกับเขาได้เหมือนกับเวลาเรารลเราเลือกคู่ครองเราก็ต้องเลือกคนที่เราคิดว่าร่วมหัวจมท้ายกันได้เราไม่ไปเลือกกับคนที่ใบคนละทิศคนละทางกัน ก่อนที่จะแต่งงานกันสมัยก่อนเขาก็ให้มั่นกันไว้ก่อนเพื่อจะได้ศึกษาดูนิสัยใจคอว่าไปด้วยกันได้หรือเปล่าเราชอบขึ้นเหนือก็ชอบลงใต้ก็จะได้ดูว่าอออมันไปด้วยกันไม่ได้ก็จะได้ไม่ต้องฝืนเรื่องเราเหล่านี้เราไม่ต้องไปฝืนไม่จาเป็นจะต้องฝืนสิ่งที่เราต้องฝืนก็คือฝืนทำความดีฝืนละความเชื่ออันนี้ต้องฝืน แต่เรื่องการคบคนนี้ไม่ต้องฝืนถ้าเขาคบกับเราไม่ได้เราก็ไม่ต้องคบกับเขาก็ได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปมีอคติกับเขาคืออย่าไปชงังอย่าไปเกลียดเขาก็ให้ถือว่าเราเป็นเพื่อนร่วมโรคกันมีความเมตตาต่อกันได้ให้ประสานส่วนต่างอาประสานส่วนเหมือนสวนส่วนต่างไว้ส่วนที่มีความต่างกันก็นกอย่าเอามา รวมกันมันรวมกันไม่ได้คนกินเหล้ากับคนไม่กินเหล้านี้จะใหมานั่งกินเหล้าด้วยกันก็ทำไม่ได้ส่วนต่างก็อย่ามาอย่าเอามาประสานกันเอาส่วนเหมือนถ้าชอบไปดูภาพยนตร์ก็ไปดูด้วยกันได้โดยโดยที่สิ่งที่หนักใจที่สุดครับอาจ า, ารย์คือ น้องเขาถูกมองว่าเป็นคนแปลกประหลาดซึ่งเขากินเหล้ากันหมดเที่ยวกันหมดแต่เขาไม่กินนะคะรับอาจารย์ไม่เที่ยวก็แปลกประหลาดในทางที่ดีมันจะเสียหายหตรงไหนพวกแปลกประหลาดในทางที่ไม่ดีกับไม่ไม่เดือดร้อนคนแปลกประหลาดในทางที่ดีกับเดือดร้อนเราถ่ายดูตรงที่ดีแล้วไม่ดีเป็นหลักอย่าไปดูว่าเราคนเดียวไม่เหมือนเขาเขาสิบคนเหมือนกันเราคนเดียวไม่เหมือนมันไม่ได้อยู่ที่จํานวน มันอยู่ที่คุณภาพอยู่ที่คุณภาพไม่ได้อยู่ที่ปริมาณไม่ใช่คนเสด็จคนว่ากินเหล้าดีแล้วคนที่ไม่กินเหล้าคนเดียวว่าไม่ดีนี่คนที่ไม่กินเหล้านี้ผิดก็ไม่ใช่ถูกก็ต้องถูกอยู่นั้นผิดก็ต้องผิดอยู่นั่นมันไม่ได้อยู่ทีอ่อยู่ที่ความเห็นของคนว่ามีมากมีน้อยแต่สมัยนี้เรามันอยู่ในยุคประชาธิปไตยมันก็เลย เป็นโอกาสของพวกบาปทั้งหลายอาศัยเสียงส่วนมากลากไปถ้าเสียงส่วนมากบอกตั้งบ่อนได้ก็ตั้งกันเสียงส่วนบ้างบอกว่าให้เปิดรุ่งอาบอุบนวดได้ก็เปิดกันเนี่ยสังคมมันถึงเสือเส่อมเสื่อมเพราะประชาธิปไตยความจริงประเทศเราเมื่อก่อนนี้เราได้รับการปกครองด้วยธรรมมาธิปไต ย, ยพระเจ้าเป็นดินเป็นผู้ทรงศสีลทรงธรรม อันนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าทรงสั่งสอนในเรื่องของการปกครองการปกครองที่ถูกต้องนี้ต้องปกครองด้วยธรรมไม่ใช่ปกครองด้วยเสียงส่วนมากประจาธิปตยนี้มันชิบหายได้พาคนให้ตกนรกได้ถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกทำบาปก็ทำกันถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกระเบิดนิวเคลียร์ก็ระเบิดอย่างนี้มันไม่ถูกต้องใช้หลักธรรมเป็นเป็นเครื่องปกครอง สังคมถึงจะเจริญได้อย่างแท้จริงคำถามข้อต่อไปจะคุณบงกฎนะครับดิฉันอายุ27ปีคือตั้งใจว่าอยากจะบวชเพื่อตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพราะคิดว่าชาตินี้ดีที่สุดแล้วเหตุทั้งหลายครบถ้วนทั้งได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพระธรรมของพระศาสดาก็ยังรุ่งเรืองอยู่ ผุบาอาจารย์ก็บริบูรณ์จึงอยากจะทุ่มเทให้สุดกำลังเพราะเกรงว่าหากพลาดชาตินี้แล้วตัวเองจะไม่ได้มาเจอเหตุแบบนี้จึงอยากรบกวนสอบถามท่านเพิ่มเติมจะเป็นไปได้หรือไม่หากดิฉันจะขอพึ่งพิงศึกษาประพฤติปฏิบัติจากทางวัดและนอกจากนี้ดิฉันเองยังต้องเตรียมตัวด้านใดบ้างต้องใช้เงินมากไหม เนื่องจากมีกําลังทรัพย์น้อยรบกวนท่านด้วยนะคะเพื่อการเตรียมตัวเพราะกว่าแม่จะอนุญาตยากและนานมากเลยค่ะส่วนที่ต้องเตรียมตัวให้มากที่สุดก็คือธรรมะในใจเราถ้ามีธรรมะห้าประการจะไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคได้ธรรมะห้าข้อคืออะไรหนึ่งศรัท ธ, ธาที่แน่วแน่สองริยะความภาคเพลยนที่หนา ที่แน่นหนาสติปัญญาสมาธินี่ถ้ามีคุณธรรมทั้งห้าข้อนี้อย่างอื่นมันจะไม่เป็นอุปสรรคเงินมากเงินน้อยไม่เป็นอุปสรรคจะมีครูบาอาจารย์เมื่อมี ม, มีครูบาอาจารย์ไม่เป็นปัญหาอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ฉนั้นขอให้เราดูตัวนี้เป็นหลักถ้าจะเตรียมตัวเราเตรียมสร้าง ศรัทธาให้มีความแน่วหน้าให้มีความขยันหมั่นเพียรที่แก่ก็ไม่เกลียดคร้านให้มีสติตั้งมัน่นทําใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วให้พิจารณาตายรักษณอยู่ได้เรื่อยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วรับรองได้ว่าปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆนี้จะไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นปัญหาเพราะใจสามารถที่จะ รับกับอุปสรรครับกับปัญหารับกับความยากลำบากได้อย่างสบายถ้าไม่มีที่นี่แล้วไม่มีองค์ห้าประการนี้แล้วต่อให้มีปัจจัยอย่างอื่นพร้อมมันก็ไปไม่ได้บางคนตั้งใจจะมาบวชตลอดเคยมีมีคนมาบวชคนยาถามว่าจะบวชนานไหมบวกไม่มีกาหนดจะเสกพอบวชได้สองเดือนเมื่อวานนี้มาลาสิกขาแล้ว สึกแล้วเหือผมเปลี่ยนใจแล้วนี่ก็คือศรัทธาไม่แน่วแน่ความเพยงนคงหย่อนยานไม่เจริญสติไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่พิจารณาตายรักมันก็เลยพอไปเจออารมณ์อะไรต่างๆไปเห็นสิ่งต่างๆก็เกิดอารมณ์ว้าวุ่นขุนมัวขึ้นมาทำให้ท้อแท้เบื่อหนาย ทำให้หมดสรัทธาหมดกำลังที่จะปฏิบัติได้ดังนั้นถ้าจะเตรียมตัวขอให้เตรียมอยู่กับธรรมะทั้งห้าประการนี้ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าและของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายฟังเทศฟังธ ร, รมามอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็เพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ สลับกับการนั่งสมาธิสลับกับการพิจารณาทางปัญญาแล้วอินทรีย์ก็จะมีกำลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นพระห้าขึ้นมาพอมีพระห้าแล้วทีนี้ก็ไปได้ที่ไหนก็ไปได้ที่ไหนยากเย็นยากเข็นลำบากขนาดไหนถ้าเหมาะก็ไปได้เช่นเราไม่มีเงินเราก็ไปหาวัดที่ไม่ต้องใช้เงินอยู่ก็ได้ไม่ใช่วัดทุกวัดจะต้องใช้เงินอยู่ ที่ใช้เงินกันก็เพราะว่าญาติโยมยังเป็นผู้มีเงินทองอยู่มาว้ก็เลยใช้เงินเพื่อเป็นการทำบุญเพื่อ เ, เพื่อเป็นการตัดความอยากถ้าเราไม่มีเงินที่จะทำทานเราก็ไม่ต้องทำเราก็ไปอยู่วัดที่เข า, เาส่งเสริมให้ภาวนาสิ่งที่เราต้องมีก็คือความเพียรความขยันอาจจะต้องช่วยงานวัดบ้างช่วยกันทำกับข้าวกับปลาบ้าง ช่วยกันล้างถ้วยล้างชามมันก็เป็นงานแค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นในวันหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่มันจะยากเย็นลาบากตรงไหนเพราะฉะนั้ น, น, นเรื่องไม่มีเงินทองนี่ไม่เป็นปัญหา <S <S 1> <S 1> สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือมีศรัทธาหรือเปล่ามีวิริยะหรือเปล่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาหรือเปล่า <S 1> <S 1> <S 1> อันนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดถ้ามี แล้วก็รับรองได้ว่าบวชได้อย่างสบายบวชที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นที่ที่สปายะก็แล้วกันคือเอื้อต่อการบําเพ็ญจุดประสงค์ของของผู้ถามต้องการบวชแล้วเข้าอยู่ที่วัดยานครับอาจารย์ดังนั้นระเบียบการต่างๆนี้จะมีปัญหาอะไรไหมครับอก็จะได้มีโอกาสเล่าสถานภาพของเราให้ฟังว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าอาาสขอวัดนี้ เรามาอยู่แบบเป็นผู้อาศัยเขาอยู่เราไม่มี อ, อำนาจวาสนาที่จะให้คุณให้โทษกับใครเวลาใครจะมาอยู่วัดนี้เขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทางคาราวาส์เขาก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายคาราวาสทางพระเขาก็มีพระมาดูแลเราก็จะดูแลส่วนที่บนเขานี้เท่านั้น ส่วนที่บนเขานี่ก็จะเป็นที่พักปฏิบัติของพระเป็นหลักแล้วถ้ามีญาติโยมบางท่านบางคนที่อยากจะมาขอพักบ้างเป็นครั้งเป็นคราวถ้ามีที่ว่างก็จะอนุญาตให้พักได้แต่ส่วนใหญ่จะต้องเลือกคนก่อนว่าหนึ่งมีความสนิทสนมรู้จักกันพอสมควรหรื อ, อยังรู้ว่าการ อยู่การปฏิบัติของพระบนนี้เขาอยู่กันอย่างไรทํากันอย่างไรรับกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างนี้ได้หรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจจะรับหรือไม่รับในส่วนผู้หญิงนี้ทางวัดเขาไม่มีนโยบายที่จะรับให้อยู่อย่างถาวรผู้หญิงเขาจะมีหอพักให้มาพักอยู่ได้ครั้งละไม่เกินเจ็ดวัน อย่างต่ำก็สามวันมาก็จะมีกิจกรรมให้ทำเช้าเย็นคือลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็มีเท่านี้นั้นถ้าใครจะมาถามเรื่องการที่อย่ามาคิดว่าเราเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นอะไรนี่เราไม่ได้เป็นเราอยู่แบบหางเครื่องอยู่แบบ สบายสบายไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบครับคำถามข้อต่อไปจะคุณทำลงนะครับการฝึกใจให้เป็นกลางควรเริ่มต้นฝึกอย่างไรครับก็โดยการจเรานสติเพราะสตินี้จะทำให้ใจเข้าสู่ อ, อุเบก ข, ขาตามลำดับต่อไปถ้าไม่มีสติใจก็จะยังเข้าไปในอัปปนาไม่ได้เข้าไปรวมเป็นหนึ่งไม่ได้ ถ้ารวมเป็นหนึ่งไม่ได้ก็ยังจะถูกอคติครอบงําอยู่คือรักชังกลัวหลงแต่เวลาจิตเข้าไปในอุเบกขาแล้วอคติทั้งสี่นี้ก็จะก็จะหายไปชั่วคราวใจก็จะเป็นอุเบกขาพอออกจากสมาธิมาอุเบกขานี้ก็ยังมีอยู่แต่จะค่อยๆหายไปเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็น พอเราชักออกมาจากตู้เย็นที่ไว้ข้างนอกสักพักความเย็นของน้ําก็จะค่อยๆหายไปดังนั้นถ้าเราถ้าความเย็นหายไปอุเบกขาหายไปเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่หรือถ้าเราอยากจะรักษาความเย็นให้เย็นอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาตายรักแล้วตัดความอยากต่างๆได้เพราะสิ่งที่จะทําให้อุเบกขาหายไปก็คือความอยากนี่เอง ความอยากก็เป็นเหมือนความร้อนที่อยู่ข้างนอกตู้เย็นพอเราเอาน้ำเย็นที่แช่อยู่ในตู้ออกมาจากตู้เย็นความร้อนมันก็จะมาทำให้ความเย็นของน้ำหายไปอุเบกขาที่เราได้จากสมาธิก็จะหายไปพอเราออกมาแล้วเราคิดไปในทางความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไปทำตามความอยากปั๊บอุเบกขาก็จะหายไป ถ้าอยากจะรักษาอุเบกขาไว้ก็ต้องพิจารณาตายลักในทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่ใจเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะได้เห็นเครื่องหมายว่าเป็นยาพิษเห็นกระโหลกกับกระดูกควายอยู่ก็จะรู้ว่าอยากไม่ได้อย่าไปเอามาถ้าไม่อยากว่าอุเบกขามันก็จะไม่หายไปเราต้องทำลายความร้อนเพื่อจะรักษาความเย็น เช่นสมมติเราเอ า, เอ า, เอาน้ำออกมาจากตู้เย็นถ้าเรามีอำนาจว่าสนาสั่งสามารถสั่งให้อากาศรอบรอบนอกตู้เย็นนี้มันเย็นเท่ากับตู้เย็นได้เราก็รักษาความเย็นของน้ำได้ใจเราเราทำได้ออกจากสมาธิมันเย็นถ้าอยากจะให้มันเย็นต่อไปก็ต้องอย่าให้เกิดตัณหาขึ้นมาอย่าให้เกิดความอยากขึ้นมาวิธีอย่าให้เกิดตัณหาความอยากก็ต้องเห็นไตรลักษ เห็นเครื่องหมายกระโหลกศรีรษะกับกระดูกควายอยู่เห็นว่าทุกอย่างเป็นยาพิษนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นขนมหวานไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเครื่องหมายสตาร์บัคไงแม้เห็นกระโหลกศรีรษะควายกระดูกคำถามข้อต่อไปจากคุณจันรสุภานะครับวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติได้อย่างไรบ้าง ก, กิเลสน้อยลงแล้วมากขึ้นความอยากมากขึ้นแลน้อยลงนี่ก็คือเครื่องวัดอีกเครื่องวัดหนึ่งก็คือสุขใจมากขึ้นเลยสุขใจน้อยลงทุกข์ใจมากขึ้นแล้วทุกข์ใจน้อยลงก็อยู่ตรงเนี้ยว่าสุขทุกข์ก็เป็นผลที่เกิดจากกิเลสตัณหามากขึ้นแล้วน้อยลงนี่ข้อต่อไปนะครับไหว้พระเพื่อหวังผลให้กิจการก้าวหน้า ถือเป็นศีลรัปตามา마หรือไม่คือการไหว้พระนี้ไหว้เพื่อให้เราจเจริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้เราเรลดถึงพระรตะนตรัยที่เป็นสารณะที่พึ่งของเราเพื่อที่เราจะได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเพื่อที่เราจะได้เอามาเป็นแบบฉบับในการดําเนินชีวิตของเรานี่คือก้า คือความหมายของการกราบพระไม่ได้กราบพระเพื่อให้ร่ำให้รวยหรือเพื่ออะไรทั้งนั้นแม้แต่จะกราบพระเพื่อให้หลุดพ้นมันก็ไม่หลุดกราบพระแล้วถ้าไม่ปฏิบัติไม่ศึกษามันก็ไม่หลุดอยู่ดีถ้ากราบเฉยๆกราบเพื่อให้เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้บรรลุส่วนจะเรียกว่าเป็นศีลละพัฒหรือไม่อันนี้ก็ไม่มีความสามารถที่จะ ตัดสินได้เพราะการกราบพระนี่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรสิ่งที่เสียหายก็คือความอยากล่ำอยากรวยเพราะว่าเป็นภาวะตันหาเป็นสิ่งที่เราต้องกําจับเพราะมันเป็นเชื้อโรคที่จะทําให้ใจเราทุกข์นั่นเองนั้นกราบพระอยากก่ากราบเพื่อล่ำเพื่อรวยกราบเพื่อให้ท้นทุกข์กับเพื่อให้ดุจพ้นจากการเวียนว่าตายเกิด กาเพื่อให้ตันหาความอยากต่างๆหมดไปจากใจนี่คือวิธีก่าวพระที่ถูกต้องคำถามข้อต่อไปจากคุณโอภาส น, นะครับอุบายที่ไปให้พ้นซึ่งอุปาทานขันทั้งห้าคืออะไรบ้างที่เทนมาทั้งหมดนี้ก็เป็นอุบายเพื่อให้เราหลุดพ้น่างนั้นก็ยัขอให้กลับไปฟังตั้งแต่เริ่มต้นมาก็แล้วกัน มีอะไรเหรอมีทานกับทานกับภาวนาค่ะอ่าเป็นยังไงเหรอต่างกันยังไงอ๋อมันเป็นเหมือนกับการเรียนหนังสือขั้นอนุบาลกับขั้นมัธยมหรือขั้นอุดมศึกษาทานนี้เป็นเหมือนกับการเริ่มต้นของการทําบุญขั้นขั้นที่หนึ่งทำทานแล้วก็จะทําให้เราเกิดความเมตตากราุณาทําให้เรารักษาศีลได้ เมื่อเรารักษาศิ่งได้ใจของเราก็จะมีกำลังที่จะบำเพ็ญจิตตภาวนาต่อไปเป็นการพัฒนาการปฏิบัติของเราเพื่อจะได้มากำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราที่เป็นตัวที่ฉุดลากให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันจบวันสิ้น ภาวนาก็เป็นเครื่องมือสูงสุดเนี่ยเป็นบุญขั้นสูงสุดทานก็เป็นเป็นเครื่องมือหรือเป็นบุญขั้นที่หนึ่นงศีลก็เป็นเครื่องมือเป็นบุญขั้นที่สองภาวนาก็เป็นบุญเป็นเครื่องมือขั้นที่สามเครื่องมือที่จะมากำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจมีคุณน่อยากจะถามสองสมานี่ท้งนี้ เอคือการการทำสมาธิหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันนะเจ้าค่ะก็คือที่ทำอยู่เดิมทีเนี่ยก็ก็จะกำหนดลมหายใจก็คือดูลมเข้าออกพอไปไปมาๆกับกลายเป็นว่ามันเหมือนกับมันพลิกไปดูในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่ากระดูกอะค่ะก็ก็ก็รู้สึกว่าคือพอทำตรงนั้นเราเราไปเห็นเขาเรียกว่าตัวเรา เหมือนกับพอใจตรงนั้นนะคะเจ้าค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการเอ่อเขาเรียกยางไงคะดียวก็พไม่ถูกอ๋อก็การภาวนานี่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะถูกจริตกับเราเราก็ลองตามที่เขาสอนไปก่อนส่วนใหญ่ก็จะสอนให้ยุบหนอพองหนอดูลมหายใจเข้าออกแต่พอเราดูไปดูมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ติดใจ ใจเราไม่ติดอยู่กับการดูลมแต่เรากลับไปติดใจยอยู่กับการดูกระดูกก็ใช้ได้ก็ใช้การดูกระดูกแทนขอให้เรารู้ว่าการดูสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเป้าหมายอยู่ที่การหยุดความคิดต่างๆให้เราดูแล้วเราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตให้ใจเราว่าง ว่างแล้วใจจะเป็นอุเบกขาใจจะเย็นใจจะสบายมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการดูเรียกว่าการภาวนาใช้อะไรเป็นองค์ภาวนาก็ได้ใช้ลมหายใจก็ได้ใช้พุทโธก็ได้ใช้กระดูกก็ได้ใช้อาการสาสสองก็ได้สุดแท้แต่ถ้าอยู่กับอารมณ์เหล่านี้แล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายแล้วจะรวมเข้าสู่ความสงบได้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ่อสิ่งเขาเรียกว่าอะไรคะจิตเหมือนกับเหมือนขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเข้าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะก็หมายความว่าเราถ้ามันไม่เข้าเราก็คนจะบังคับให้มันดูอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยให้เขาทําตามอารมณ์เพราะอารมณ์มันจะสลับไปสลับมาใช่ค่ะบางทีก็ขยนันบางทีก็ขี้เกียจใช่ค่ะถ้าเราต้องการจะก้าวหน้าเราก็ต้องให้มันขยันอยู่ตลอดเวลาให้มันดูตลอดเวลา ถ้าเราไม่ต้องทําภารกิจอย่างอื่นเราก็ให้มันดูอารมณ์ที่ถูกจริตกับเราให้อยู่กับดูกระดูกไปเรื่อยๆอ๋แล้วบางทีคือเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าเขาเรียก ว, ว่าวางอุเบกขาแต่รู้สึกว่ามันวางอุเบกขาแปลกๆก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนั้นของจริงหรือของปลอมนะเจ้าค่ะก็พิสูจน์ดูไปเรื่อยๆถ้าอุบ เ, ออเบกขาจริงเวลาได้ยินใครด่าก็ไม่รู้เสกอะไร กายาเราเราก็เฉ ย, ยถ้ายัางเฉยยังไม่เฉยก็แสดงว่ายัางไม่ใช่เป็นอุเบกขาจริงเวลาร่างกายเจ็บปวดยังรู้สึกหงุดหงิดนำคาญใจก็แสดงว่ายังไม่เป็นอุเบกขาจริงถ้าเป็นอุเบกขามันจะเจ็บจะเมื่อยก็รู้สึกเฉยเฉยอ๋อวิธีการดูก็ประมาณนี้ใช่ไใช่เพื่อให้มันเป็นอุเบกขาถ้าอยากจะให้มันเป็นอุเบกขาเร็วแนละลึกก็ต้องนั่งเฉยเฉยหลับตา ถ้ามีเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งขัดสมาธิแล้วก็จะเลลึกถึงกระดูกก็ได้ดูกระดูกไปเรื่อยๆอย่าให้มันคิดอะไรแล้วมันก็จะพาเราเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาต่อไปถ้าลืมตาแล้วทำกิจกรรมต่างๆมันจะไม่รวมจะไม่เข้าไปลึกมันจะอยู่แถวเปลือกอยู่แถวภายนอกถ้าอยากจะให้มันเข้าไปสู่ศูนย์กลางของใจต้องต้องนั่งหลับตา แลมันก็จะรวมเป็นอัปปนาเป็นเอกขัตตะลมสักแต่ว่ารู้อันนี้เข้าถึงศูนย์กลางของใจนะเข้าใจแล้วค่ะพยายามทำไปอย่างขี้เกียจทุกกิยาบทตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนึกถึงกระดูกไปเรื่อยๆเราอยู่กับกระดูกตลอดเวลานนมันใช่ไหมครับอาจารย์ครับคำถามยกเป็นพรุ่งนี้ครับอาจารย์ เราวันนี้คำถามก็หมดพอดีเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ยงยิ่งขึ้นไปเธอ